กลไกต่างๆที่นักฟิสิกส์พยายามอธิบายต่างๆล้มเหลวหมดเลยเราไม่มีทฤษฎีที่อธิบายกลไกอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงเลยจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจนะคะต้องบอกว่าแรงโน้มถ่วงอะบางทฤษฎีสมัยใหม่นะฮะบางทฤษฎีนะ <Ha. S 1> ยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางถึงกับมองว่าแรงโน้มถ่วงไม่ใช่แรงพื้นฐานด้วยซ้า you're listening to the standard podcast the eye-opening experience for your ears ไดดในโลกล้วนฟิสิกส์พอดแคสต์วิทยาศาสตร์เนิร์ดๆที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกส์จากสิ่งรอบตัวถ้าเราพูดถึงลูกแอปเปิลที่หล่นลงมาจากต้นนะคะชื่อของไอแซคนิวตันเนี่ยน่าจะป๊อปอัพขึ้นมาในความทรงจำของใครหลายๆคนนะคะ ความสงสัยว่าแบบไอ้แรงนั้นน่ะที่มันทำให้ลูกแอปเปิลพอมันหลุดออกมาจากต้นแล้วมันหล่นลงสู่พื้นไม่แบบลอยขึ้นไปข้างบนก็เป็นที่มานะคะที่ทำให้เราได้รู้จักคำว่าแรงโน้มถ่วงในวันนี้นะคะซึ่งถ้าจำได้นะคะเราเคยพูดถึงเรื่องของแรงโน้มถ่วงว่าเป็นหนึ่งใน สแรงพื้นฐานในโลกฟิสิกส์วันนี้ลองมาเจาะลึกแล้วก็ทําความเข้าใจแรงโน้มถ่วงไปด้วยกันกับใดๆในโลกโล้วนฟิสิกส์นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับฟางรัฐทรโรจิตพนาค่าและผมบองแปงอัตวรงจันทมาศครับพี่บองแปงคะแรงโน้มถ่วงได้ยินได้ยินบ่อยมากมแล้วก็เป็นคําที่คุ้นหูเราแต่เอาจริงๆแล้วมันคืออะไรเอาเรื่องของลูกแอปเปิลของนิวตันก่อนน ะ, ะอันนี้จริงๆมันเป็นความเชื่อนะและและจริงๆแล้ว นักประวัติศาสตร์เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นด้วยอเหมือนเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่จุดเริ่มต้ น, นก็ได้เรี่ที่ทัชใจแต่ไม่น่าใช่ค่ <c oughs> เอาก่อนจะไปถึงแรงโน้มถ่วงคืออะไรนะต้องบอกงี้ก่อนว่าทุกวันเนี่ยเรานั่งอยู่กับพื้นเนี่ยเราอยู่ติดดินเนี่ยโต๊ะอยู่ติดดินพวกเราเป็นคนติดดินได้เนี่ยก็เพราะว่าแรงโน้มถ่วงยึดเราไว้แต่เคยคิดไหมว่าก่อนไอแซคนิวตันจะสร้างทฤษฎีแรงโน้มถ่วงเนี่มนุษย์ไม่รู้จริงๆเหรอ ว่าโลกเรามีแรงโน้มถ่วงหรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นจนคุ้นเคยแล้วก็ไม่ทันได้ตั้งคำถามกับมัน no ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยในยุคโบราณนะฮะก่อนยุคนิวตันเนี่ยเราไม่มีความคิดเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงในแบบของนิวตันแปลว่าเราคิดแบบอื่นทั้งในแง่คอนเซปต์และในแง่ของสมการหรือการคานวณเชิงปริมาณไอปริมาณเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแต่คอนเซปต์เนี่ยเราคิดแบบอื่นใช่ เอางี้ก่อนอาริสโตเติลเนี่ยเขาอธิบายของตกอะไรพวกเนี้เขาไม่ได้คิดเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงนะคืออริสโตเติลเนี่ยอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มันตกกับลอยขึ้นเนี่ยว่ามันเข้าหาจุดตั้งต้นหรือแหล่งกําเนิดของมันเห<อ>มือนผมผมผมขุดดินขึ้นมาหรือหยิบหิมะขึ้นมาหรือเอาอะไรที่มันมาจากดินเนี่ย<ะ>ขอนไม้ขอนอะไรหยิบมันมาแล้วปล่อยเนี่ยตัวมันเน่ยเกิดจากดินมันก็น ก, กลับสู่สดิน อะไรแบบนั้นสวยงามจังเลยสวยงามใช่ไหมไอ้ซโตนเนี่ยเจ้าพ่อแบบโรแมนติกโรแมนติไซส์หรือว่าควันเวลาก่อก่ อ, กอไฟแล้วเป็นควันแล้วมีเปลวไฟลุกขึ้นมาเนี่ยตัวมันเนี่ยลอยสูงขึ้นเพราะมันกลับสู่สวงสวรรค์อันเป็นจุดกำเนิดของมันอื คือคือจะบอกราอนะแต่ก็แต่ก็พยายามนึกย้อนว่าถ้าเราอยู่ในยุคนั้นเราอาจจะเชื่อแบบนั้นไปด้วยกับเขาก็ได้อะไรเงี้ยเอ อ, เ อ, อคือความคิดในยุคโบราณนะครับวิทยาศาสตร์มันไม่เหมือนทุกวันนี้มันเป็นมันผสมความเชื่อความเชื่อซะเยอ ะ, ค, ะความลี้ลับซะเยอะอ ม, มนเวทมนมายาเยอะมากใช่แล้วอริสโตเติลเองในยุคนั้นนะครับในยุคโบราณเนี่ยเราก็มองว่าดวงดาวทั้งหลายเนี่ยนะมันไม่ใช่วัตถุธาตุแบบแบบหินแบบดินอนะ เรามองว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่บนสวงสวรรค์ ม, มันไม่ตกลงมาเพราะมันประพฤติตามกฎของทวยเทพเอาจริงๆเราโโ ค, คือเราเราเกิดมากี่ครั้งอ่ะเราก็เห็นดวงดาวเป็นกลุ่มแบบนั้นโคจร อ, อ, อยู่แบบนั้นทวยเทพเหล่านี้มีอายุอันยืนยาวอันไม่ขึ้นอยู่กับมนุษยนนข์ของปุถุชนอย่างเราดังนั้นทวยเทพเหล่านี้เขาต้องประพฤติตามกฎที่คนละอย่างกับที่ปุถุชนหรือมนุษย์เราเป็น โอ้โนี้ยากแล้วแต่ว่าตอนที่ไอแซ็คนิวตันจะต้องประกาศหรือว่าทำความเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นแบบที่เธอคิดกันเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องยากมากเลยนะคะใช่แล้วเอางี้ก่อนคือ้การที่วัตถุมันตกเนี่ยแรงอะไรดึงมันเนี่ยเขาเาไม่พยายามอธิบายมันในเชิงของของแรงโน้มถ่วงนะมันเหมือนกับว่าวัตถุนั้น่ะมันมีความอยากพุ่งลงมาด้วยตัวมัน่ะคืออย่างงี้ก่อนนะมนุษย์เราในยุคโบราณเนี่ย เราไม่ค่อยจะเชื่อว่ามันมีแรงที่สามารถส่งผลผ่านห้วงอวกาศอันไกลโพ้นไปสู่อีกวัตถุหนึ่งได้แบบนั้นเราไม่เชื่อว่ามันมีแรงที่เป็น non contact force หรื อ, อคือถ้าผมจะออกแรงต่อแก้วอ่ะผมต้องไปผลักมัน อ, มอย่างเงี้ยโอเคอยากทำให้โต๊ะหักผมต้องออกแรงใส่ใส่โต๊ะใช่ปะ่ะค่ะเห็น<ะ> action ชัดเจนชัดเจนปาบอยู่อยู่ตรงเนี้ย contact ต้องแตกกันเรเราไม่เชื่อว่ามีแรงที่แบบ ส่งไปแบบไกลแบบแรงโน้ม ม, ม, นมันดูเป็นเวทมนตร์嘛ก็มันมองไม่เห็นแ ล, แล้วมันก็ห่างมากแล้วจู่จูมันจะไปถึงได้ยังไงมันจะฝ่าระยะไปแบบนั้นอะมันดูไม่น่าเชื่อเอกภพในยุคก่อนนิวตันเนี่ยไม่มีแรงโน้มถ่วงเลยเรเนเดการ์เคยได้ยินมาชื่อนี้คุณคุณค่ะแต่จําไม่ได้ว่าเรเนเดการ์เนี่ยเป็นนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสเรเนเดการ์ส่งผลต่อโลกมากเรเนเดการ์เป็นคนที่สร้างสิ่งที่เรียกว่าเรข า, าคณิตวิเคราะห์ที่เราเรียนกัน เขาเป็นคนสร้างระบบพิกัดคาร์ทีเซียนเดกกาเดคาคาร์ทีเซียนมาจากชื่อเขาก็คือระบบพิกัด x y อ่ะเนี่ยที่เราชอบเรียนกันพอดกราฟเลยเพราะว่าจะเขาเราไม่ชอบเนี่ยต้องขอบคุณเรเนเดกกานะครับเรเนเดกกายังเป็นนักปรัชญาที่เก่งมากเขาคิดคําว่า I think therefore I am เคยได้ยินไหมเคยได้ยินอฉันคิดฉันจึงมีอยู่เราอาจจะพิสูจน์ความจริงไม่ได้สักอย่างแต่เราพิสูจน์ได้ว่าถ้าเรามีความคิดเราต้องมีต้นแหล่งแห่งความคิดอะไรพวกนี้อันนี้ของเขา อเดกาเนี่ยจังอธิบายการโครจรของดาวเคราะห์ด้วยว่าเอกภพเราเนี่ยเต็มไปด้วยสารอะไรไม่รู้ละ่ะใส่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วมันก็วนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนมุนเป็นวอร์เทคแล้วตัวมันอ่ะก็วนการวนของสารตัวเนี้ยทําให้ดาวเคราะห์ที่ลอยอยู่ในนั้ น, นะ อ, น อ, อ, อ่ะโคจรไปรอบๆมันคอนแทกหรือแตะกันผมอาจจะเปรียบอย่างนี้คล้ายๆกับเราอยู่ในอ่างอาบน้ําค่ะ แล้วก็มีน้ําอยู่แล้วดาวเคราะ์ก็เหมือนกับมีแบบเป็นลูกบงลูกบอลลอยอยู่ลอยอยู่ในน้อแล้วไอ้ลูกบอลเนี่ยมันวนอยู่อ่ะเพราะว่ามันมีน้ําอยู่ไงน้ํามันสัมผัสโดยตรงไม่ต้องมีแรงโน้มถ่วงก็ได้โอ้โหแล้วอย่างนี้มันต้องแบบรื้อความคิดใหม่หมดเลยนะคะถ้าเกิดตอนที่ไอแซคนิวตันมาบอกรือ้อและไอการรื้อเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการไปรื้อความคิดเก่าเนี่ยคนเก่าๆ เ, เขาก็ไม่ชอบแน่นอนเป็นธรรมชาตินะนะครับก็ ในยุคที่นิวตันสร้างทฤษฎีแรงโน้มถ่วงนะครับนิวตันเนี่ยนอกจากจะสเตตทุกอย่างอย่างชัดเจนแล้วนะไม่ว่าจะเป็นกฎการเคลื่อนที่นิวตันเนี่ยสร้างเอกภพบของอธิบายธรรมชาติของเอกภพบขึ้นมาอย่างชัดเจนมากว่ามวลสารที่ว่างและเวลาเนี่ยนะมีบทบาทอย่างไรค<ฆ>่ะนะครับมวลสองก้อนเนี่ยมันส่งผลต่อการผ่านด้วยแรงโน้มถ่วงอย่างไรเนอะอ่ะยิ่งมวลตัวหนึ่งมากมันยิ่งส่งผลดึงดูดอีกอันนึงด้วยแรงที่มีค่ามากค่ะ แต่ยิ่งมันห่างมากแรงก็ยิ่งมีค่า น, น้อยล ง, ลงซึ่งไอ้คํานี้มันเป็นคํากล่าวที่เลื่อนลอยมากแต่นิวตันทําให้มันชัดเจน solid <ะ>เหมือนสลักลงบนหินด้วยการสร้างสม ก, การที่ชัดเจนมากว่าที่เราเรียนทุกวันนี้ก็คือ f เท่ากับ g นะครับ m ใหญ่ m เล็กส่วนด้วยระยะทางยกกําลังสอง อ, อันนั้นแหละทำให้การคํานวณแล้วก็เห็นผลชัดเจนว่ามันเป<น>็นยังไงมันไม่ใช่ระยะยกกําลัง1ยกกาลัง3ยกกาลัง5ยกกาลัง 0.7 ยกกําลังพาย มันต้องยกกําลังสองมันมันค่อนข้างประหลาดตรงที่ว่าแรงเนี่ยมันส่งผลต่อกันในยุคของนิวตันนะมันส่งผลต่อกันแบบฉับพลันทันทีนะแล้วก็ส่งผลผ่านที่ว่างได้ซึ่งอันเนี้ยนักฟิสิกส์ในยุคนั้นหลายคนไม่สบายใจและพยายามจับผิดนิวตันว่าได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้ยังไงอแรงมันผ่านที่ว่างได้ยังไงมันแบบมันไม่คอนแทคได้ด้วยเหรอนะแม้ว่าทุกวันนี้เราค้นพบว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันแผ่ไปด้วยอัตราเร็วเท่าแสงนะ แรงโน้มถ่วงคือถ้าดวงอาทิตย์มันหายไปตอนเนี้นะครับมันจะส่งผลต่อโลกของเราเนี่ยแรงโน้มถ่วงที่หายไปเนี่ยมันจะส่งผลต่อโลกต้องใช้เวลาเดินทางเท่ากับความเร็วแสงนะทุกคนแต่โอเคอในยุคของนิวตันมันมันฉับพลันทันทีอันนี้ก็แปลกแต่ถามว่าทําไมกดแรงโน้มถ่วงนิวตันเนี่ยหลักๆแล้วถึงได้รับการยอมรับว่ายิ่งใหญ่และน่าเชื่อถือคําตอบคือมันอธิบายธรรมชาติของดาวเคราะห์ได้อย่างยอดเยี่ย ม, อมยอดเยี่ยม สุดๆคืออย่างนี้ในยุคก่อนนิวตันเนี่ยมันมีกฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ที่เรียกว่ากฎของเคปเลอร์ค่ะคุณโยฮันเนสเคปเลอร์เนี่ยสร้างกฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ขึ้นมาจากการสังเกตคือเห็นปุ๊บ ก, ก็เอามาตั้งเป็นกฎส<ะ>ข้ออนะอันนี้ถ้าใครเคยเรียนผมพูดเร็วๆแล้วกันเช่นข้อหนึ่งดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นรูปวงรีออืซึ่งข้อนี้ก็ประหลาดแทนที่จะเป็นวงกลมทําไมมั น, งนวงรมีมันเป็นมันเป็นโค้งที่ไม่สมบูรณ์แบบกฎข้อ2เนี่ยคือตอนที่ดาวเคราะห์ โคจรเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะวิ่งเร็วแล้วมันจะกวาดพื้นที่ไปได้ค่านึงแต่พอมันมันโคจรห่างจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะวิ่งช้าลงพื้นที่ที่มันกวาดเนี่ยมันได้เท่ากันซึ่งเคปเลอร์ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ศึกษามันแล้วมันเป็นอย่างนั้นกฎข้อ3ก็คือยิ่งดาวเคราะห์อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับค่าหรือช่วงเวลาที่มันใช้ในการโคจรก็ยิ่งเพิ่มขึ้นแต่เคปเลอร์เขียนในเชิงคณิตศาสตร์ที่ชัดเจนมากอันนี้ก็ไปเรียนกันแล้วกันแต่ว่าเคปเลอร์ สร้างกฎขึ้นมาจากการสังเกตโดยที่ไม่รู้เหตุผลว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นนิวตันเนี่ยสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าอ๋อเพราะว่ามันประพฤติตัวตามกฎแรงโน้มถ่วงของข้าพเจ้าแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับ<ะ>กฎแรงโน้มถ่วงของนิวตันเนี่ยยังนํามาซึ่งการทํานายสิ่งที่สําคัญมากๆหลักๆแล้วเอาง่ายๆ2 อ, อย่างอย่างแรกก็คือทํานายการมาเยือนของดาวหางดวงหนึ่งซึ่งเวลาเราเห็นดาวหางเนี่ยนะฮะ ดาวหางเนี่ยมันเป็นดาวที่ไม่ได้โผล่มาให้เห็นบ่อยๆทุกวันไม่ใช่แบบโอ้วันนี้เห็นดาวหางพรุ่งนี้ก็เห็ น, ม, นมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรแบบนั้นมันเป็นของที่ในยุคโบราณจุ่ๆมันจะโผล่ก็โผล่เราไม่มีหลักเกณฑ์อะไรในการคํานวณเกี่ยวกับมันเลยมันแบบว่าจะมาอีกทีเมื่ออะไรางกันเท่าไหร่อะไรอเงี้ยอะไรที่ทํานายไม่ได้แบบเนี้ยคนมักจะกลัวเราก็เลยมองว่าดาวหางเนี่ยมันมักจะเป็นลางร้ายหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับ่จนกระทั่งการมีอยู่ของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเนี่ย คุณมีนักดาราศาสตร์คนหนึ่งเขาก็เอาไปคำนวณแล้วคนพบว่ามีดาวหางอยู่ดวงหนึ่งเนี่ยมันจะโครจรกลับมาทุกๆทุกๆ76ปีเทวๆนั้นแล้วก็มันเป็นดวงเดียวกันคุณไม่ต้องตกใจกลัวมันเป็นไปตามกฎของนิวตันดาวหางดวงนั้นก็เลยได้รับชื่อตามผู้ที่นักดาราศาสตร์คนนั้นก็คือดาวหางฮันเล่<อ>ใช่ค่ะแต่ว่าเราสามารถ ถ้าเกิดว่าใช้เรื่องของกฎของแรงโน้มถ่วงเนี่ยค<ม>าดการได้ว่ามันจะทุกๆเจ็สิหกปีแล้วเป๊ะๆอย่างี้เปเ๊ เ, ปเลย โ, โดยประมาณนะ7 5แดสิาห่นแต่มันมันไม่ใช่สิ่งลึกลับ<ม>ความลึกลับที่เป็นเรื่องลี้ลับมายาภาพทั้งหลายสรุปศูญสลายไป<ม>กฎแรงโน้มถ่วงของนิวตันเนี่ยยังแสดงให้เห็นอีกว่าดาวต่างๆที่เราเคยเชื่อว่าเป็นเป็นเทพเจ้าอ่ะโน no. มันคือวัตถุธาตุที่ประพฤติตัวไปตาม ที่มนุษย์คนพบได้ยิ่งใหญ่นะเปลี่ยนโลกเหมือนกันนะใครโอหมันเปลี่ยนความคิดทั้งหมดทั้งปวงดวงดาวก็ไม่ใช่เทพเจ้าแล้วเทพเจ้าถูกกระชากลงมาอยู่ในระดับเดียวกับก้อนหินก้อนหนึ่งที่โคจรไปรอบดวงอาทิตย์นะะักคาดการได้มีกฎที่ทำความเข้าใจได้ ช, ชัดเจนนะ ท, ที่เขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับแอปเปิลเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขาเชื่อว่านิวตันมองแอปเปิลตกแล้วลองมองเลยไปยังดวงจันทร์แล้วพยายามอธิบายการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ <c oughs> ด้วยกฎแรงโน้มถ่วงว่าใครเป็นคนดึงดวงจันทร์ <c oughs> อะไรแบบนั้นอันนี้ตำนาน <c oughs> แต่ถ้าจะอธิบายการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์จริงๆ <c oughs> นะครับค <c oughs> ำอธิบายเนี่ยคือว่าดาวเคราะห์เนี่ยมันโครจรไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่ามันมีความเร็วเดิมของมัน <c oughs> ซึ่งสมมติเราปิดวสวิตช์แรงโน้มถ่วงด้วยการทําให้ดวงอาทิตย์หายไปแบบดีดนิ้วเหมือนทารนออดีด ปาบเข้าไปดวงอาทิตย์หายปึ้งดาวคลอะต่างๆเนี่ยมันจะวิ่งต่อไปเป็นเส้นตรงตามกฎการเคลื่อนที่ข้อหนึงของนิวตันอ๋อแปบลบว่ามันจะไม่ได้วงเป็นวงโคโจรแบบนี้อีกแล้วไม่มันจะมันจะพุ่งเป็นเส้นตรงไปเรื่อยๆ <ไป S 1> นะครับไปตามทางของมันเองใช่ถ้าเราดับแรงโน้มถ่วงขอ ง, <ฆ>ของดวงอาทิตย์ได้หรือเสีย<ฆ>ให้ดวงอาทิตย์หายได้ในพริบตากับการที่มีดวงอาทิตย์อยู่เนี่ยแรงโน้มถ่วงเนี่ยดึงมันเข้าตรงกลางเสมอมทําให้แทนที่มันจะวิ่งเป็นเส้นตรงดวงที่บอกอย่าตรงเข้ามาอันนี้ก็เปลี่ยนทิศละ อย่าตรงเข้าม า, าเข้ามามันก็เลยค่อยๆโค้งเป็นวงกลมนะฮะคำอธิบายที่แท้จริงที่ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้มีแรงผลักให้มันวิ่งเป็นวงกลมแรงจริงๆดึงเข้าตรงกลางจางหางนะครับถ้าเรียนฟิสิกส์ก็จะพบว่าแรงตัวนี้เขาเรียกแรงสู่ศูนย์กลางนะแต่ในยุคก่อนนิวตันเขาไม่ได้คิดกันแบบนั้นนะอผมจะเล่าให้ฟังถึงความยิ่งใหญ่ของกฎนิวตันอีกอย่างนึ่งที่มันมันยิ่งใหญ่มากก็คือ ในช่วงที่มนุษย์เรารู้จักดาวดาวเคราะห์ในระบบสุริยะไปถึงแค่ดาวยูเรนัตนะครับอืเราเราเห็นดาวยูเรน็ตนี่ก็เต็มกลือนแล้วทีนี้นักดาราศาสตร์เนี่ยคนพบว่าวงโครจรของดาวยูเรน็ตรอบดวงอาทิตย์เนี่ยมันดูผิดปกติอื ม, มันดูเหมือนจะมีใครไปกวนมันใครก็ไม่รู้ว่ามันกวนอยู่แล้วเมื่อคำนวณด้วยกฎแรงโน้นถูวงของนิวตันเราพบว่าไอคนที่กวนอยู่เนี่ยน่าจะเป็นดาวเคราะห์ลึกลับที่ยังไม่มีใครเห็น แล้วพอส่องกล้องโทรทัศน์ไปยังจุดที่นักดาร า, าศาสตร์คํานวณไปตามกฎแรงโน้มถ<ฆ>่วงนะเราเจอดาวเนปจูนดังนั้นกฎแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันเจ๋งตรงที่ว่ามันมีพ rediction มันทํานายแล้วมันแม่นด้วยไม่ใช่ทํานายแล้วก็ไปรเรื่อยเออไปเรื่อยทูกพิดก็ไม่รู้ อ, อันนี้ทํานายปุ๊บแม่นเจอดาวเนปจูนนะเราเจอดาวเนปจูนบนกระดาษก่อนจะเจอบนท้องฟ้าอีกด้วยด้วยพลังแห่งด้วยการคํานวณ ดังนั้นนี่เป็นสเสน่ห์ที่ผมว่าฟิสิกเชิงทฤษฎีมันเจ๋งตรงที่ว่าบางทีมันก็ชี้นาการทดลองได้นะครับอแต่ทีนี้มันมีคําถามนึงค่ะพี่ปองแปงที่อยากรู้ว่าในเมื่อเราบอกว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เป็นฟิสิกส์ อ, อธิบายได้แล้วมันมาจากไหนอนกลไกของมันมันทำไมอยู่ๆถึงมีแรงโน้มถ่วงคืองี้ก่อนนะต้องบอกว่าในยุค ข, ของนิวตันเนี่ยอืมันมีปัญหาหนักอกหนักใจข้อหนึ่งที่ นักดา ร, ราศาสตร์นักฟิสิกส์เขาก็ไม่ค่อยสบายใจนะักคือการโคจรของดาวพุธดาวพุธเนี่ยมันมีการโคจรเป็นรอบดวงที่เป็นรูปวงรีแต่วงรีนี้มันบิดไปเรื่อยบิดไปเรื่อยและการบิดเนี้ยต่อให้เอาผลจากแรงโน้มถ่วงดาวรอบๆมาคำนวณเป็นการรบกวนแล้วเนี่ย <ขา S 1> ยังอธิบายอัตราการบิดเนี้ยไม่ได้ซึ่งมันเพราะอะไรเนี่ยนักดา ร, ราศาสตร์ก็เลยเรียนแบบ ดาวเนปจูนก็คือหรือมันจะมีดาวเคราะห์ที่อยู่อยู่ใกล้กับดาวพุธมากกว่าดวงอาทิตย์<ฆ>ชื่อดาวเเวลแค้นคอยรบกวนหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอดาวเเวลแคนเพราะมันไม่มีมนะครับจนกระทั่งอเบอร์ไตน์มาสร้างทฤษฎีชื่อสัมพัทธภาพทั่วไปอธิบายแรงโน้มถ่วงได้อย่างถูกต้องมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในในระดับความเข้มแรงโน้มถ่วงมากๆคือดวงอาทิตย์เนี่ยแรงโน้มถ่วงมันเข้มมากนะครับแม้จะไม่เข้มแบบหลุมดําก็ตามแต่ว่ามันก็เข้มมากพอที่จะ เป็นเหมือนแคร็กหรือรอยร้าวให้เราเห็นความผิดปกติเนี่ย <Ha. S 2> ต้องใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป <Ha. S 2> แต่ที่นี้สัมพัทธภาพทั่วไปเนี่ยมันมีปรัชญาที่ต่างจากนิวตันระดับต่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นบทบาทของมวลที่มีต่อที่ว่างกับเวลาซึ่งตรงนี้ไว้ไวเล่าเรื่องสัมพัทธภาพทั่วไปค่อยคุยกันแต่ประเด็นก็คือว่าสัมพัทธภาพทั่วไปเนี่ยพยายามมองว่ามวลเนี่ยส่งผลต่อที่ว่างให้เกิดความโค้ง และความโค้งเนี่ยเป็นที่มาของแรงโน้มถ่วงมันดูจะอธิบายแรงโน้มถ่วงได้ในเชิงกลไกได้มากขึ้นแต่มันก็ยังไม่ได้เป็นอะไรที่ชัดเจนเหมือนธรรมชาติของแรงอื่นๆนะครับคือมีนักฟิสิกส์ในยุคของนิวตันนั่นแหละนะครับอธิบายธรรมชาติกลไกลแรงโน้มถ่วงได้น่าสนใจมาก<ะ>เขาบอกว่าเอกภพบเนี่ยเต็มไปด้วยอนุภาครือ ว, วิ่งมั่วซั่วไปมาเต็ไมไปหมดเลยรันดัมเลยและถ้ามีมวลอยู่ในที่ว่างนั้นเนี่ย มวลนั้นเนี่ยมันจะโดนอนุภาคเนี้ยวิ่งชนแบบแรันดอมดังนั้นมันก็จะอยู่นิ่งๆเพราะแรงต่างๆมันหักล้างกันไปนะแต่สมมุติว่ามีวัตถุสองก้อนจะเกิดอะไรขึ้นวัตถุก้อนนึงเนี่ยมันจะบังการชนด้านนึงให้กับวัตถุก้อนนึ่งอไอ้วัตถุอีกก้อนหนึ่งก็จะบังการชนให้กับวัตถุอีกก้อนหนึ่งผลลัพธ์ของแรงที่ไม่บาลานซ์กันเนี่ยจะกลายเป็นแรงโน้มถ่วงให้ชนวิ่งเข้าหากันสมมุติว่าดวงที่มันดวงใหญ่มากและโลกของเราเนี่ยอยู่ด้าน โคจอรอยู่ด้านหนึ่งของดวงอาทิตย์ <ฮะ S 1> ลองนึกภาพนะโลกเราก็จะโดนอนุภาค พ, พวกนี้ยชนมากเลยด้านเนี้ยส่วนอีกด้านเนี่ยแทบไม่มีอะไรชนเลยเพราะว่าดวงอาทิตย์มันบั ง, บ<า>งให้หมดแล้ ว, วดังนั้นผลลัพธ์ของการชนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแรงโน้มถ่วงพุ่งเข้าหาดวงอาทิตย์ อ, อแต่เราพบว่ากลไกเนี่ยมันผิดแน่นอนอ เพราะว่าเอาง่ายๆถ้าโลกเกิดการโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยการชนในด้านที่โลกพุ่งเข้าหามันจะต้องเยอะเหมือนเราวิ่งนะฮะแล้วมือเราตีลม<ง>แรงๆงหรือว่าแบบนั่งขึ้นนั่งบนรถแล้วก็เปิดกระจกแล้วเอามือตีลมๆๆๆๆด้านที่เคลื่อนที่อ่ะมันก็จะโดนชนแรงมากนึก<ง>ออกไหมดังนั้นโลกก็จะถูกปะทะแรงมากแล้วในสุด ส, สุท้ายมันจะสูญเสียพลังงานแล้ววิ่งชนเข้าหาดวงอาทิตย์ในที่สุดคือที่จรเนี่ยได้รับการพิสูจน์ได้ไม่ยากเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ และกลไกลต่างๆที่นักฟิสิกส์พยายามอธิบายต่างๆล้มเหลวหมดเลยเราไม่มีทฤษฎีที่อธิบายกลไกลอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงเลยจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจหรอคะไม่เข้าใจคือทุกวันนี้มันมีฟิสิกส์ที่ชื่อว่าควอนตัมฟิวเจอรีนะครับสร้างแบบจําลองที่ดีที่สุดเรียกว่าสแตนดาร์ดโมเดลอธิบายแรง3แรงได้ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน แต่พอพยายามเอาควอนตัมฟิล์มาอธิบายแรงโน้มถ่วงเนี่ยค่าต่างๆที่คำนวณได้เนี่ยมันเป็นค่าอนันต์ออกมามซึ่งเราไม่เคยวัดอะไรได้เป็นอนันต์ ม, มันล้มเหลวในการอธิบายแรงโน้มถ่วงดังนั้นนักฟิสิกส์ก็เลยอยากได้ทฤษฎีควอนตัมของแรงโน้มถ่วงที่เรียกว่าควอนตัมกราวิตี้แต่ยังไม่มีเนื่องมาคือคือถ้าเป็นแรงอื่นๆเราเข้าใจไปถึงรากฐานเลยว่าสนามของมันเกิดจากอนุภาคแบบไหนอย่างไรปล่อยออกมามีควอนตัมแบบไหนเราอธิบายได้แต่แรงโน้มถ่วงเน่ยควอนตัมฟิว เราเชื่อว่ามันน่าจะมีอนุภาคของแรงโน้มถ่วงปล่อยออกมาเหมือนกับตัวอื่นเราเรียกว่ากลาวิตอนแต่ถึงวันนี้เราก็ไม่เคยเจอกลาวิตอนเรายัางเถียงกันอยู่ด้วยซ้ำว่ากราวิตอนเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างควรจะตรวจจับยังไงแต่ก็ยังไม่เจ อ, อนะครับมันเลยลึกลับแล้วการที่แรงโน้มถ่วงเนี่ยอ่อนที่สุดในบรรดาแรงต่างๆอ่อนในระดับที่ลึกเกืกเกือ อ, อันนี้เป็นการเปรียบเทียบ<ฆ>สมมุติมีคนอยู่4คนแต่ละคนเนี่ยตัวสูงไล่เลี่ย ก, กันอาจจะมีสูงบากสูงน้อยอะไรต่างๆนานาแต่ว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ย เมืนเล็กเป็นแบคทีเรียครับโอ้คือเบามากน้อยมากน้อยมากสตริงมันอ่อนถ้าเราเอาเศษกระดาษมาแล้วเอาไม้บรรทัดมาถูหัวให้เกิดไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันดูดเศษกระดาษได้ประจุไม่กี่ประจุบนบนไม้บรรทัดเนี่ยเอาชนะโลกทั้งใบที่พยายามดูดกระดาษได้สตริงมันอ่อนมันที่ลึกเกือๆมันอ่อนผิดปกติมันก็มีทฤษฎีพยายามอธิบายว่าทําไมมันถึงอ่อนมันเอกภพเรามีมิติมากกว่า3หรือเปล่า มันมีมิติพิเศษที่เรียกว่า extra dimension หรือเปล่าแล้วแรงโน้มถ่วงเนี่ยจริงๆมันก็แรงเท่ากับแรงอื่นๆแล้วนะแต่มันรั่วออกไปใส่มิติอื่นหรือเปล่าโอ้โห oh. มันก็มีคนคิดอะไรแบบนั้นนะครับฟังว่าแปลกใจมากเลยนะเพราะว่าเราได้ยินชื่อมันเยอะอะแต่ไม่คิดว่าอ๋อจริงๆแล้วมนุษย์เรายังไม่ได้เข้าใจนี่คือ<ม>ต้องบอกว่าแรงโน้มถ่วงอะบางทฤษฎีสมัยใหม่นะฮะบางทฤษฎีนะค่ะ <Ha. S 1> ยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ถึงกับมองว่าแรงโน้มถ่วงไม่ใช่แรงพื้นฐานด้วยซ้ํำ oh. พยายามมองมันในมุมอื่นก็มีหรือแม้แต่การพยายามอธิบายธรรมชาติของสะสารมืดเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินสาสารมืดเนี่ยหรือการโคโจรของกาแล็กซี่อะไรพวกนี้ mm. เขาไป modify นิวตันเข้าไปอีกคือ mm. บอกว่าในบางสเกลเนี่ยกดแรงโน้มถ่วงของนิวตันอาจจะต้องปรับเป็นแบบอื่น mm. มีแบบจําลองต่างๆเยอะแยะมากมาย mm. ที่ ใช้ในการอธิบายการโคจรของพวกกาแล็กซี่ที่มีส า, สารมืดอยู่เยอะๆหรืออะไรพวกนี้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในงานวิจัยที่ถกเถียงกันอยู่ว่า<ฮ>สรุปมันต้องโมดิฟายหรือเปล่าหรืออะไรพวกนี้ก็<ฮ> <c oughs> สรุปก็คือนั่นแหละแรงโน้มถ่วงเป็นแรงที่ลึกลับที่สุดในตอนนี้ค่ะ<ฮ>เพราะว่ามันก็เหมือนเปิดพื้นที่ให้เราได้จินตนาการเหมือนกันนะคะ <c oughs> แบบว่าอาจจะมีความคิดใหม่ๆการค้นพบใหม่ๆแล้วก็น่าจะทําให้เราได้เข้าใจ แรงโน้มถ่วงที่ดูเหมือนเป็นแรงที่เป็นพื้นฐานอย่างที่พี่ป อ, องแปงเคยกล่าวตั้งแต่ EP แบบแรกของเราด้วยซ้ำอ่ะแต่กลับเฮ้ยเราไม่ได้เข้าใจมันร้อแต่นั้นก็อาจจะเป็นสเสน่ห์ของมันไปด้วยในอีกทางหนึ่งนะคะก็ใครอยากแลกเปลี่ยนในเรื่องนี้ก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาทิ้งไว้ได้ น, นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปอ่านกันนะคะก็กลับมาเจอกับใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์กันได้ในตอนต่อไปนะคะเช่นเคยฟังขอฝากกด subscribe นะคะ YouTube Channel ของ The Standard Podcast เวลามีตอนใหม่จะได้ไม่พลาดกันนะคะแล้วก็กลับมาติดตามฟังพวก เราได้ในทุกๆ podcast player เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears